2. อ, อันธาการวัตสิกขาบทที่สว่าด้วยการสนทนากับชายในที่แจ้งเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระพัฒกาปิลานี 846. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ ร, ระ เ, เจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอรารามของอนาถาบิธิกาเศษ ธ, ธีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น ชายผู้เป็นญาติของภิกษุณีผู้เป็นอันเตวาสินีของพระพัฒกาปิลานีเดินทางจากหมู่บ้านไปกรุงสาวัตถีด้วยธุระบางอย่างลำดับนั้นภิกษุณีนั้นคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามยืนเคียงคู่กันสนทนากันสองต่อสองกับชายในโอกาสที่กำบังจึงยืนเคียงคู่กันบ้าง สนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในที่แจ้งภิกษุณีผู้มักน้อยตําหนิประนามโผล่ท น, นาว่าชายในานางภิกษุณีจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในที่แจ้งเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ